แม้ทราบว่าคำล่วงเกินต่อหน้าใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและทราบว่าคำล่วงเกินต่อหน้าใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นพึงเป็นผู้รู้จักการเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้น